ปราสะสนิมในใจหมายเลยขกปราศาศะเป็นอุปกิเลสประเภทกาละกินีตัวอย่างหนึ่งคือถ้ามีอยู่ในตัวแล้วมันกลายเป็นเสนียดขวางความเจริญของตัวเองแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีชื่อเสียงนักไม่ถึงขนาดเป็นผู้กว้างขวางเพราะเป็นกิเลสประเภทยุ่งอยู่หลังฉากคล้ายๆกับ อุปนาหะที่ว่ามาแล้วแต่ลิดเดตไปคนละอย่างเพราะเทือกเถามันมาคนละทางอุปะนาหะมาจากตระกูลโทสะแต่ปลาสะมาจากตระกูลโมหะกิเลสายนี้เขาไม่ค่อยบูไม่ร้อนถึงคุกตารางเท่าไหร่แต่เป็นประเภทกินตัวบ่อนตัวเองขัดตัวเอง อย่างที่โบราณท่านเรียกว่าเสนียดนั่นแหละถ้าภาษาหมอดูเรียกว่าการกินีประสาะไม่ใช่กิเลสประเภทเ อ, อ่างครงครามแต่ร้ายอยู่ถึงไม่มีผู้กว้างขวางรวมความแล้วก็คือขวางเหมือนกันถ้าจะเปรียบกับโรคภัยไข้เจ็บในเนื้อในตัวจำพวกความโลภความพยาบาทเหมือนกับ โรคปวดหัวปวดท้องปวดฟันกับเริ่บแล้วนิ่งอยู่ไม่ได้ต้องวิ่งหาหมอหายาแต่ปราชญนี้มันเป็นพวกหูดพวกผดที่ขึ้นตามตัวเห็นแล้วน่าเกลียดแต่ถึงกับต้องเอะอะโวยวายเพราะมันไม่ตายเร็วนักตะคอยขวางเวลาจะมีคนมารักเรื่องฤทธิเดชของปราชา เอาไว้พูดกันทีหลังดีกว่าตอนนี้ว่าเฉพาะลักษณะเรื่องราวของมันเสียก่อนส่วนที่ว่ามาแล้วก็เพียงโปรยหน้าธรร ม, มาตเท่านั้นค่อยว่ากันต่อไปปราชญ์ท่านแปลว่าความตีเสมอหรือการตีเสมอคำแปลดูเหมือนจะชัดเจนอยู่ในตัวแล้วว่าถึงอาการในใจก่อน จะรู้ได้อย่างไรว่าปลาศะเกิดขึ้นในใจของเราถ้าสังเกตตัวเองก็ให้สังเกตที่ความลำพองใจคิดว่าตัวเราก็พอๆกับเขาหมายความว่าเรานึกเอาตัวเราเข้าไปเทียบกับคนอื่นคนที่เรานึกถึงนั่นจะนึกเทียบทางวิชาความรู้ทางสติปัญญาทางฝีม้หลหลมือหรือทางใดๆก็ตาม ที่นึกนั้นนึกว่าตัวเองก็พอๆกับเขาหรือนึกว่าเขาไม่เห็นจะมีอะไรเกินเราที่แกทำนั้นข้าก็ทำได้ถ้าข้าจะทำเรามันมือชั้นเดียวกันละ ว, ว่าความรู้สึกอย่างนี้แหละที่เรียกว่าปราศะข้าพเจ้าเองก็อธิบายไม่ค่อยถูกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประาศะคือการคิดผิดคาดผิด ระคนด้วยการยกตนเองและกดคนอื่นถ้าเป็นความรู้สึกที่มั่นใจในตัวเองก็ไม่ใช่ประลาศ ะ, ะเช่นเห็นคนอื่นเขาทำความดีได้เรานึกปลุกใจตัวเองว่าเขาก็คนเราก็คนเมื่อเขาทำได้ทาไมเราจะทำไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ประลาศ ะ, ะและการรับความจริงตามธรรมดา ไม่ละคนด้วยการดูหมิ่นคนอื่นเช่นเรากับเขามีเงินเท่ากันหรือสอบได้คะแนนเท่ากันหรือมีอำนาจหน้าที่เท่ากันแล้วเราก็รับรู้ตามจริงว่าเรากับเขาเท่ากันในเรื่องนั้นๆอย่างนี้ก็ไม่เป็นกิเลสปรศะศาปราศะศาทนั้นมันเฉพาะความคาดกำลังตัวเองผิดด้วยความลำพองใจเท่านั้น ลองอ่านเรื่องราวของหมาตัวนี้ดูตอนเรื่องหมาเห่าเสือชาวนาครอบครัวหนึ่งเลี้ยงลูกหมาเอาไว้ให้น้ำข้าวและเศษอาหารกินจนกระทั่งลูกหมานั้นโตเป็นหมาใหญ่โตก็โตแบบหมานั่นแหละคือตัวมันโตขึ้นไม่ได้มีใครอบรมสั่งสอนให้เฉลียวฉล า, าดอะไรนัก เมื่อโตขึ้นก็ทำตัวเป็นนักเลงโตในบ้านคอยรังแกไก่บ้างหมูบ้างแมวบ้างเจ้าพวกนั้นต้องหลบกันตัวเป็นเกลียวแม้แต่วัวควายมันก็รังแกได้อย่าว่าแต่สัตว์เลยคนแทๆ้ๆพอมันกระโจนใส่ก็ขี้เกียจจะร้องเสียงหลงหมาก็หมาคิดคำหนึ่งว่าตัวมันเองช่างเก่งกล้าสามารถเหลือประมาณ สัตว์สองเท้าก็กลัวสี่เท้าก็เกรงวัวควายเขายาวตั้งศอกสองศอกอยังไม่อยากสูน้าเกิดมาเป็นหมานี่มันช่างเก่งกล้าสามารถอะไรอย่างนี้มันไม่เพียงแต่พวกสัตว์ด้วยกันเท่านั้นที่ขยะ ต, ต่อเราผู้คนเด็กเล็กก็กลัวเกรงเราทั้งนั้นแล้วไม่ใช่แต่คนธรรมดาขนาดผู้ใหญ่บ้านแท้ เราโฮกเข้าใส่หนเดียวหน้าซีดเป็นคนตายเฉียวนี่ตั้งสามเดือนยังไม่กล้าเดินผ่านหน้าบ้านเราเฮาริธาศักดาเดชของข้ามันช่างเหลือเกินขบวนพวกชาวบ้านด้วยกันหมดสงสัยแล้วหมาคิดยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้เจอกันคือเสือเห็นใครๆบอกว่าน่ากลัวนัก เสียดายที่ยังไม่มีโชคได้เจอสักทีมันหลบหน้าไปอยู่ป่ากันเสียหมดโตรจริงก็น่าจะเตะมาแถวนี้บ้างสิอยู่มาวันหนึ่งขณะที่หมากำลังนอนคิดถึงเสืออยู่ใต้ถุนบ้านอยากจะประลองฝีมือดูบ้างก็พอดีได้ยินเสียงคนบนบ้านเขาเล่าเรื่องความน่ากลัวของเสือสู่กันฟังหมาก็เลยปลอยฟังแล้วนึกตามไปด้วย เสือมีขาทั้งสี่ขาเสียงคนคุยกันข้าก็มีสี่ขาเหมือนกันหมาคิดเสือมีเล็บคนข้าก็มีเล็บเหมือนกันหมาเสือมีเขี้ยวเขี้ยวข้าก็มีเสือก็มีลายตามตัวตัวข้าก็ลายเสือมีหางด้วยแล้วข้าไม่มีหางหรือ หมาฟังไปคิดไปนึกว่าเสือจะเก่งอะไรนักหนาเสือก็คือหมาดีๆนี่เองแต่มันอยู่ป่าเท่านั้นเรากับเสือก็ไม่ใช่ใครอื่นหมาคำนึงคิดเสือมันวนเวียนอยู่ในป่าเสียงคนแว่วมาอีกป่าเราก็เคยย่ำมานักแล้วหมาคิดกลางวันอย่างนี้เสือไม่เข้าบ้านคน อ้าวแล้วกันมันก็ไม่โตรจริงหมากลิ่นสาบเสือแรงไม่ใช่เล่นคนถึงกลิ่นตัวข้าก็ย่อยอยู่เมื่อไรไม่มีคนอยากนั่งใกล้ทีเดียวหมาตกลงว่าหมาเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าตัวพอๆกับเสือแล้วยังมีภาษีดีกว่าใส่ด้วยซ้ำที่อยู่ในบ้านได้กลางวันแส ก, แสก หมานอนฟังคนคุยกันด้วยความกระยิ่มใจเป็นยิ่งนักความนึกคิดอย่างนี้แหละอย่างที่หมาคิดนี่ที่เรียกว่าปราศะการตีเสมอทีนี้พูดถึงพฤติการคือการกระทำของคนมีปราศะอาการที่คนมีปราสะแสดงออกมาก็คือการตีเสมอกับผู้ใหญ่กว่าตนการตีเสมอนั้นอาจแสดงออกจากเจตนาสองอย่าง ยังได้อย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างคือ1เข้าใจว่าท่านกับเราเสมอกันจริงๆและสองรู้อยู่ว่าเราไม่เสมอท่านแต่อยากให้คนอื่นเขาเข้าใจว่าเสมอกันเรื่องของเรื่องอยากตีเสมอนั่นแหละไม่ว่าข้อเท็จจริงจะอย่างไรก็ตามเอาเจตนาเป็นเกณฑ์แต่ว่าผู้เท่านี้ยังไม่หมดปัญญาทีเดียว บางทีจะมีผู้ไปดึงเอาคุณธรรมบางอย่างมาเป็นกิเลสด้วยคือการตีเสมอ ER นั้นจํากัดความหลงแค่ว่าตีราคาของตัวเองให้สูงขึ้นเพื่อให้เสมอ ER กับคนอื่นเท่านั้นถ้าลดราคาของตัวลงให้เสมอ ER กับเขาเช่นคนมีความรู้สูงความสามารถสูงแทนที่จะนึกว่าตัววิเศษวิโสเกิดมนุษย์บรรดาทั้งหลาย ก็นึกว่าคนอื่นเขาก็คงเหมือนกันกับเราเดินดินกินข้าวเหมือนกันคิดอย่างนี้ไม่ใช่ปราสะไม่ใช่การตีเสมอแต่เป็นความถ่อมตัวซึ่งเป็นคุณลักษณะของดีอย่างหนึ่งเรียกว่าอุปจายณะนักปราศสันเสริญเกี่ยวกับกริยาที่แสดงออกของคนมีประลาสะ เราจะเห็นได้ในเวลาที่ผู้นั้นแสดงออกคู่กับคนอื่นเช่นเดินไปด้วยกันยืนอยู่ด้วยกันนั่งอยู่ด้วยกันและการพูดการเขียนที่เกี่ยวกับความดีเด่นของคนอื่นในการเดินไปด้วยกันคนที่จะเดินเคียงคู่กันได้เฉพาะคนที่มีอาวุโส ổ, หรือวุฒิหรืออำนาจหน้าที่เท่ากันเท่านั้น โดยปกติแล้วทั้งคดีโลกคดีธรรมนิยมว่าผู้ใหญ่ออกหน้าผู้น้อยเดินตามหลังหรือเดินเยื้องไปทางด้านหลังเว้นแต่จะมีข้อแม้เป็นอย่างอื่นแต่คนที่มีปราศาหนุนใจมักจะเดินแซงขึ้นไปตีเสมอหรือไม่ก็ล้ำเลยไปข้างหน้ามันเป็นของแปลกแต่จริงไม่เช่นนั้นก็ตีห่างออกไปเลย ใครๆเขาจะได้ไม่รู้ว่าเป็นมือรองในการยืนด้วยกันก็เหมือนกันคนมีประราทในใจมักจะยืนวางท่าทีเสมอกับผู้ใหญ่เช่นเข้าไปยืนใกล้จนชิด ต, ตัวท่านวางท่าอย่างไรเราก็วางท่านั้นด้วยท่านเอามือล้วงกระเป๋าเราล้วงบ้างท่านเอามือค้ำเสะเอลเราค้าบ้าง ยิ่งถ้ามีผู้คนรู้เห็นมากหน้าหลายตายิ่งพยายามแสดงให้มันเกินเกินขึ้นไปเสียด้วยท่านเอามือปล่อยลงเฉยๆเราเอามือกอดอกท่านยืนอยู่ตรงกับที่เราเดินสายไปสายมาให้มันข่มรัศมีบ้างทำอย่างนี้บางทีคนทำไม่รู้ตัวแต่คนอื่นเขาเห็นแล้วรู้ในการนั่งด้วยกันก็อย่างว่านั้นแหละ ท่านท่าไหนเราก็ท่านั้นปกติแล้วคนนั่งอยู่ด้วยกันเขาจะต้องรวมจุดเราไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่ทําแข่งบารมีท่านแต่คนปราศักมักชอบก่อวงเล็กขึ้นในวงใหญ่เสมอทําเป็นนั่งตีสีหน้าหาทําเลต่างหากทั้งๆ ท, ที่อยู่กับท่านในการพูดคุยยิ่งเห็นชัดว่าใครมีปราศะหรือไม่ เพราะคนมีประลาสในใจมักจะชิงพูดขึ้นหน้าผู้ใหญ่เสมอข้อความที่ผู้ถามเขาต้องการคำตอบจากผู้ใหญ่ก็มักจะชิงตอบเสียเองบางทีมีคนเล่า ว, ว่าเขาไปได้ความรู้บางอย่างมาจากท่านผู้นั้นผู้นี้คนมีปราลาสก็มักจะบอกให้เขารู้ว่าตนเองได้เป็นผู้ให้ในเช่นนั้นไว้กับผู้นั้นอีกที่หนึ่ง คนมีปราสะที่มีความฉลาดในการตีเสมอมักจะประเพณตัวเป็นคนช่างเล่าความดีของคนนั้นคนนี้รั้นเล่าไปเล่าไปก็คว้าเอาความดีของตัวเองขึ้นพ่วงท้ายทำเป็นทีว่าความดีทั้งหลายของเขาที่ฉันเล่ามาทั้งหมดนั้นก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าฉันคนประาสะแบบนี้เป็นปราสะเจ้าปัญญา ดึงเอาความดีของคนอื่นมาเป็นบันไดเพื่อปีนขึ้นไปตีเสมอกับเขาแต่คนปราชา์ที่โง่ๆก็เล่นตีเสมอเอาซื่อๆโฆษณาเอาซื่อๆว่าเป็นว่าตัวเป็นคนสอนวิชาให้ครูและปกครองดูแลเจ้านายของตนอาการของปราชา์ทั้งหมดทั้งสิ้นที่ว่ามานี้ ตรงกับอาการที่ชาวบ้านเรียกว่าตีเสมอคือตีราคาตัวเองให้สูงขึ้นไปเสมอกับท่านกับอีกคําหนึ่งว่ายกตนเทียมท่านคือตัวเองต่ําเตี้ยกว่าท่านเลยพยายามยกตัวเองเข้าตำราว่าเห็นเขานั่งคานหามเอามือประสานกันจะดีอะไร กิริยาของคนประเภทนี้ที่เรารู้กันอยู่ทั่วไปอีกอย่างขอโทษที่ข้าพเจ้าต้องใช้คำว่าชาวบ้านจริงคือความทะลึง่งนั่นเอง